สุรักษ์ทั้งหลายระยะต่อไปนี้ก็ขอเข้าถึงทุ่งสงกันสัทีวันที่ยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยยี่สเ็เวลาเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีออกเดินทางจากกาะลงไปฟ้ากระ บ, บี่มาทุ่งสง ตอนนี้รู้สึกว่าบรรดาลูกรักทัางหลายคงจะคิดว่าเราเดินทางในความปลอดภัยแลวคงจะไม่มีอะไรในระหว่างทางอั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าลูกไม่รู้ว่าในสายนี้มีอะไรบ้าง พอออกมาพอเดินทางมาก็เจิกเขาบอกว่านีนาสารแล้วก็พระแสงอะไรพวกนี้เป็นต้นตามงเพื่อต่างๆพวกนี้แต่ความจริงพื้นที่แถวนี้พวกถ้าหากว่าเดินในทางถนนรถยนต์พ่อไม่รู้จักเลยเพราะว่าไม่เคยมารถยนต์ ใช่แต่หอเป็นพื้นในสมัยร่วมทางกับท่านหญิงวิภาวดีรังสิตระยะทางช่วงนี้เราเต็มไปหมดลุกรักเพราะบอกแล้วว่าจะออจากจังหวัดสุราธานีแล้วไม่มีทางเลยถ้าจะมีจุดใดปลอดคำว่าจะปลอดจากคนที่มีคติกกตรงกันข้ามกับรัฐบาลไม่มีสำหรับเขตนี้ ในเวลานี้พระก็ทราบว่านอกจากจะเขาอยู่บนเขาอย่างสมัยก่อนแต่เขาก็กลับลงมาปรับบนกรมดาประชาชนทั้งหลายในภาค พ, พื้นดินอยู่กับชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข่าวหนังสือพิมพ์บอกว่าค่ายคุณชิงแตกเมื่อปีที่แล้ว แต่มาปีนี้รู้สึกว่าพวกเขาเ ข, ข้ายึดข้าวคน่ายคนชิงตามเดิมและคนที่นี่เราจะต้องระมัดระวังให้มากตลอดสายที่เราเดินทางต้องระวังให้มากเราจะต้องไม่พูดกันถึงเรื่องบุคคลผู้เป็นผู้ก่อการร้ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ไม่ได้ ว่าคนที่คุยกับเราเขาเป็นใครรถขคนเราวิ่งมาอย่างย่ชาเพราะใช้เวลาจากตรงไปฟ้ากระบี่มาถึงอำเภอทุ่งสงหรือว่าเหรือว่าเขตแปด 8, ของตะเวนชายแดนทุ่งสงมีระยะทางร้อยสี่สิบเซตเตเป็นระยะทางไกล ถ้าเราเดินทางจากแต่เช้าก็มาฉันเพลินกินข้าวสบายกลางวันแต่ถ้าระยะทางของเราที่วิ่งมานั้นเราออกช้าเกินไปอาจใช้เวลาเก้านกาเสร็จเสร็จหรือเวลาน้อยเป็นเวลาชั่วโมงเสร็จเสรก็จริงต้องแวกกินข้าวในระหว่างทาง การกินข้าวนระหว่างทางสถานที่เราแหวถ้าเราสังเกตให้ดีว่าก่อนหน้าที่เราจะมาถึงตลาดมันมีรถเก๋งชนกันสามคันการที่มีรถเก๋งชนกันสามคันอุบัติเหตุอย่างนั้นไม่ใช่ปกติมันเป็นเรื่องของเขาใช้น้ำมันราษถนนน้ามันเครื่อง ทศวิ่งไปด้วยความเร็วถึงตอนั้นก็เลื่อทนทลาชนกันตั้งหลักไม่อยู่การกระทำอย่างนั้นเป็นเจตนาของผู้ร้ายที่หมายจะเจียวของแม้ว่าคงจะเป็นเคราะห์ดีคขจะของรถจิงทั้งหมดที่ปรากฏว่ามีคนเห็นแล้วก็ปลอดภัยจากการถูกทีแต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย เพราะเก่งละคาแพงจะาลองยึดเสียเวลาต้องเก้าของต้องเสีย เ, เวลาซ่อมในเวลาการงานต้องจับจ่ายจับจ่ายใช้สอยในการเงินพ่อเห็นใจเขาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่ต้องการหิ้งพุกคนใดมีความถูกแต่โลกนี้ดิโลกมันจะหาความถูกที่ไหนหาความแน่นอนอะไรกัโลก คำว่าโลกพกกระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามีคำแปลว่ามีอันที่ต้องสิบหายไปไม่ว่าสมบัติสมบัติสมบัติส่วนใดของโลกที่มีความมั่นคงนั้นไม่มีและแล้วสำหรับการมาของเราคราวนี้การเดินทางจากจังหวัดกวบีเราก็ถูกสะกดรอยตลอดเวลา แต่ถ้าว่ารถของเราเราไม่ปล่อยให้รยารถทางไกลกันีเกินไปนี่บรรดานักขับรถทั้งหลายจงจำไว้ด้วยในที่เราแล้วกันมากันเดินทางสายเหนือมักจะใช้เวลาการทำการขับรถเหมือนกับบุคคลคนเดียวเหมือนกับไปรถคันเดียวกันเวลารถ รถมองไม่เห็นกันมีอันตรายเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะช่วยกันได้ทันท่องที่แต่การมาคราวนี้เรามีการควบคุมกันให้คนขับขับรถมีระเบียบในฐานะที่เราถือรถเป็นขบวนเมื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีเจ้าหน้าที่ประจำรถ ถึงแม้ว่าเราจะป้องกันตนเองไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เราก็จะมีการช่วยกันป้องกันคันไหนเพล่องพรำลงไปอีกสามคันก็สามารถจะช่วยได้เพราะว่าเราตั้งสี่คันการเดินทางของเราเราพร้อมแล้วกับการเสี่ยงภยัย แะก็มั่นใจในบาร ม, มีของสมเด็จเจจอมไตรบรมศาสดาเิวดาระพผมนะท่านพุมีระคุณและอาศัยบุญบาร ม, มีที่เราทำกันไว้ร่วมกันก็สามารถจะช่วยเราให้ปลอดภัยไปได้เสียงที่ผูพ่อพูดออกไปถ้ามีเสียงรบกวนโปรดทราบว่าถึงแม้ว่าเวลานี้จะดืกสงัด เกือบจะถึงเวลาย่สิบสี่นาฬิกาแล้วแต่ว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์ยังดังชัดเึกอลาดเฟือราด เ, าดเป็นน้ำมาภาราของคนนี้ยังไม่หมดเป็นนั้นว่าหลังจ า, จากจากจวกร บ, บีเราถูกสะกดรอยทั้งรถจนและรถมอเตอร์ไซค์เวลาที่เราพักฉันบริโภคอาหารกลางวันกัน ตอนนั้นคนที่มีความหนักใจมากที่สุดก็คือยาสิทธิ์ตรธธณโตกูลเปาลิกเพราะคนนี้เป็นคนฉนลาดในการดูคนดูลีลาของคนมีความคิดเห็นว่าทุกคนยังไม่ควรจะกินอาหารแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเป็นใจนึกและปราลบกับพอ่อพ่อเองก็ไม่ได้ทราบ ว่าเขาจัดอาหารตัดติดอม่ัยบินโตมาด้วยถ้าพ่อทราบอย่างนั้นพ่อก็ไม่ยอมให้รถแวะเหมือนกันเพราะการแวะคราวนั้นเป็นการเสี่ยงที่หนักที่สุดพยะเที่รถเราเสียต้องแก้ไขกันที่ปลายพยาก็เป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุดทั้งสองจดุดเป็นจุดที่มีการจี้ปล้นกันบ่อยที่สุด จงอย่าคิดว่าตลาดคนมากจะช่วยอะไรเราได้มองดูตาคนให้ดีกิริยาของคนในที่นั้นรู้สึกว่าเขามองเราเห็นเป็นอาหารที่โอชาไม่ใช่ว่าเขาเห็นพระแล้วเขาเคารพย่าลืม ว่าคนที่มีค ต, ต, ติตรงกันข้ามีคติตรงกันข้ามกับรัฐบาลคนดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องหมายศูนย์ของเราบอกชัดว่าเป็นศูนย์ของพระบาสทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวเขาก็ยิ่งเกรดเรามากเพื่อนนั้นว่าเราปลอดมาได้คนดี แค่การเดินทางในสายนี้ได้รถจนก็ดีได้รถไฟก็ดีไม่มีอะไรจะปลอดภัยเลยลูกรักปัญหามีอยู่ว่าถ้าเราจะมีมาเครื่องบินจะปลอดภัยไหมนั่นก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักใจมากเครื่องบินก็ไม่ใช่เป็นจุดศูนที่จะปลอดภัยเราจะมองเห็นอันตรายที่เกิดจากเครื่องบินอยู่เสมอเสมอ เมื่อเข้ามาถึงสถานีที่พักของเราบ้านรับรองปลายกฏว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้จัดทำท่านรองผู้กากับอ้วนผู้เท่าเคยให้พ่อไปติดดาวอยู่ที่สตนูนเนลานนั้นท่านอยู่ในป่าไปขัดตาทัพรับมือกับข้าศึกท่านบอกว่าคิดว่าพวกเราจะมาถึงเวลาประมาณบ่ายโม พอทางวิทยุวิทยุมาบอกว่าเราจะกินเพลงกันที่หอยอดท่านคิดว่าคงจะถึงเวลาบ่ายโมงยังไม่ได้จัดอาคารไว้แต่ก็ไม่เป็นไรไปที่ไหนเราก็ทํากันได้เรื่องความสะอาดท่านจัดที่กันไว้ให้ที่กองร้อยแต่พวกเราไม่นอนกันคิดว่าบนกองร้อยมันร้อนสุขข้างล่างไม่ได้ที่โรงเรียน หรือด้วยที่หอไปชมแต่ว่าคนที่สุดพวกเราก็กลายเป็นคนเดินเรืออยกราบขวาย้ายมากราบซ้ายจากกราบซ้ายย้ายไปกราบขวาทั้งนี้เพราะอะไรฝนตกซ้ายเข้ามาเป็นฝานลงแต่พวกเราก็ทำกันได้ดีเหมือนกันนี่เป็นการซ้อมกันไว้เพื่อการมาคราวนี้เราไม่มีงานถ้าถึงทุ่งสงลูกรัก ทั้งสุราธานีขณะที่รถเราแก่เปลีย่ยนยางกันแล้ววิ่งไปสายด้านโน้นข้ามฟากไปพ่อคิดถึงท่านหญิงวิภาวดีว่าท่านหญิงวิภาวดีโทรจริงจากหอจากที่บ้านหลังครองเสนื้อครองไปลงที่นั่นเจ้าหน้าที่เขาจัด พก็สบของท่านไปทำความยนะศพให้สะอาดที่โรงจยบาลพ่ อ, อกับลุงปู่ธรรมชัยเขาไปด้วยนี่ก็น่าแปลกลงไปแล้วไม่มีใครเขาพูดด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ไปด้วยกันเขาก็ไม่พูดด้วยต่อมาเมื่อจัดทศศพสเสร็จ เขาจะเอาศพไปกรุงเทพหลวงปู่ธรรมชัยบอกว่าอยากจะไปด้วยเที่ยงได้กราบเรียนท่านบอกว่าไปไม่ได้เราเป็นพระเขาไม่ได้ิมนต์จงว่าท่านท่านผู้กากับคือสุ ด, ดินแล้วก็ร้อยโทยุทธนามาหาเที่ยงได้มีคนคุยด้วยว่านั่นพ่ออดข้าวตั้งเช้าตั้งเพล ก็กินข้าวฉันฉันก็ต้มนิดหนึ่งคิดว่าตอนเพลงจะฉันให้อิ่ก็เลยมาในฉันนั่งอยู่ตัวนั้นท่าผู้ังกับกับร้อยตำรวจโทยุทธนายัางไม่มามีคนเขานั่งอยู่ตัวนั้นมากแต่ไม่มีใครเขาอยากจะคุยด้วยเขาไที่น่าแปลกสุราธานีเป็นเมืองของท่านพุทธทาตสที่ตั้งอยู่ใกล้ ท่านอบรมใจเขาบุคคลในธรรมะแต่บุคคลเข้าถึงธรรมะไม่มีหน้าปแปลกฉันแสดงว่าปราศจากความเมตตาปราณีเสียจริงๆหรือก็ว่าเห็นพระสงฆ์เป็นผู้บ่อนทาลายความเจริญของชาติเป็นตัว่วงความเจริญของชาติคนใดยิงไม่มีใครเขาสนใจ แต่ว่าสิ่งท่านหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะแปลกใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกพระไม่ได้บทมาเพื่อให้ชาวบ้านเขาโอ้พระไม่ได้บทมาเพื่อองรับไหวของใครพระไม่ได้บทมาเพื่อรับการบูชาขางอกคนอื่นอย่างที้องค์สมเด็จระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแตกับพราม รามถามว่าท่านบวมมนแล้วต้องการการสรการะบูชาของชาวบ้านใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาทรงตรัสวาต้อแต่ว่ารามการบวชของเราเราไม่หวังการบูชาของบุคคลใดทั้งหมด สมเด็จตัตสัมม า, ส, มาสัมุทธเจ้าทรงตรว่าการบวชของเราเราไม่หวังการบูชาของใครทั้งหมดลูกรักเว้นไปนิดหนึ่งอยู่ดีๆมันก็ไอขึอ้นมาเฉยๆเจ้าร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้พ่อจึงไม่ปรารถนาในมันอมสมเด็จพระยิจิตามานทรงตรัสว่าที่บวชมันนี้เราก็ดีพระสาวกของเรากดี บวชมาเพื่อหวังความดับไม่มีเชื้อของกิเลสนี่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชและภระสาวกทั้งหมดเป็นอย่างนี้ <c oughs> ในวันนั้น <c oughs> เขาจะแสดงการอย่างไรกันก็ตามพร่อไม่มีความรู้สึกนึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา แม้ว่าสถานการณ์ทางภาคใต้เวลานี้ยังไม่สงบสงัทั้งนี้พ่อะไรก็เขาว่ากำลังของฝ่ายตรงข้ามยังคับขัง้งพ่อก็สงสัยในยุทธวิธีที่พื้นที่ที่ก็ตีได้แล้วนี้ทำไมเกงไม่ยึดที่พื้นที่ไว้ถอยออกไป พวกนั้นเข้ามาใหม่ก็สร้างกำลังแข็งแกรง่งอย่าลืมว่าค่าศึกของประเทศภาคใต้ไม่เหมือนกับภาคเหนือถ้าว่าค่าศึกภาคใต้มีความอิ่มมีพี่มันอาหารต้องการง่ายเพราะพื้นที่แคบแ้วก็น่าแปลกอยู่นิด ที่การรบจะต้องรบกันในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันแต่การรบก็มีรบไม่รู้สึกว่าจะเป็นการรบตามแบบฉบับ ต, ตามตัวภาษาจะมากกว่า <c oughs> แต่ลาของบุคคลที่ตรงกันข้ามเคารพนอกแบบให้การรบแบบนี้ถ้าทาอยู่เป็นปกติไม่มีการเปลีป่ยนแปลง พ่อก็คิดว่ามันจะสูญเสียมากกว่าได้ถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่เป็นแบบการุญเทพแบบการุญเทพหมายความเทวเมตตากรุณาคือมีความกรุณาแบบเทวดาสงเคราะห์แด้แผงของการุญเทพดี เหรั บ, บุคคลคือเจ้าหน้าที่มีความสำคัญเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลในบรรดาธุรัฐลูกเองทั้งหมดก็เป็นข้าราชการเมื่อเรามีวิชาความรู้ความรู้ดีแล้วทั้งว่าความประพฤติเราไม่ดีจิตไม่ประกอบปฏิ ธ, ธรรมความรู้ดีไม่ได้ทำให้คนดีได้ คนที่ดีได้ก็เพราะอาศัยใจดีมีความประพฤติดีจิตประกรอบด้วยความเมตตาปราณีมีพรมหมฐาหสี่และอคติสี่ตัดความละโมบโลภโทโทสันตัด ค, ดความโกรธความเย้ยหวัดและงับใจให้มันตั้งอยู่ในความดีมันถึงจะดีได้ <c oughs> ก็รุญเทพแปลว่าเทวดาผู้มีความปราณี แต่ว่าเจ้าหนะ้าที่ไม่ใช่เทวดาเป็นคนพ่อหนักใจเขาเลือกว่าแผน ง, งานนี้เริ่มมาตั้งปีสศ2457ขอโทษพศ2517เป็นแผนที่เขาเขียนด้วยหนังสือภาษาไทยชัดมอบให้รัฐสภ า, าสมัยนั้น แต่รัตปรภพายเห็นว่าเป็นหนังสือที่ไทยเขียนไม่สนใจลอยที่ไว้ต่อมาปีพศ .2520 คนเขาล่าไห้ฟังก็จำาระศไม่ได้ชัดเขาต้องเขียนเป็นภาษาฝรัง่งเอาไปลงหนังสือบางกอบโค้ดเขาว่าอย่างนั้น แล้วก็ส่งเข้าไปให้รัฐสภารัฐสภาจิงได้หยิบยกขึ้นมาพิจ า, ารณาแผนการนี้เป็นแผนการที่ดีมากบ้านเมืองไม่ต้องใช้ผืนบ้านกำนันก็เป็นอันว่าเป็นบ้านเมืองที่มีกรรมการประธานกรรมการมีสาธารณสุขมีตำรวจมีอะไรเสร็จในตัวเสร็จป้องกันตัวเอง แล้วก็มีสุขาภิบาลมีการช่วยในการประอาชีพมีการคลังของหมู่บ้านเองเรียกว่าทำคล้ายๆเมืองเล็กๆตอนนี้ดีมากเหมือนก็รับแต่งได้รับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าน่าแปลกใจเจ้าหน้าที่มาบอกว่าคนไทยเขียนเขียนภาษาไทยคนไทยไม่อ่าน ต่อมาเมื่อคนไทยเขียนเป็นภาษาฝรัง่งให้ฝรั่งคนหนึ่งส่งไทยต้องให้คนไทยอ่านถ้าคนไทยเรายังมีน้ำใจเป็นอย่างนี้ความเป็นไทยของเรามันก็น้อยไปเพราะว่าถ้าคนไทยพูดคนไทยไม่รับฟังคนไทยทำคนไทยไม่ต้องกัน ต้องการอย่างเดียวต้องเป็นของฝรัง่งถ้าฝรั่งพูดคนไทยฟังคนไทยฝรั่งทําคนไทยใช่ฝรัง่งขายคนไทยซื้ออย่างนี้เรียกว่าเราขาดชาตินิยมเมื่อชายของเราเองเราไม่นิยมใครเขาจะมานิยมเราเราก็เป็นการเสียเปรียบเขาอยู่ตลอดเวลา เป็นนั้นว่าเวลานี้เรามาอยู่ที่ทุ่งสงในตจดอเขตแปดท่านพู้กับปัญญาของท่านแล้วก็ร้อยตำรวจโทยุทธนาถน้ทุกท่านีอยู่ในนี่ก็รู้สึกวันดีเล้าใจสถานที่กันเองเพราะเรามาอยู่ที่ท่านจัดให้ ปรากฏเรามีความสะดกสบายเรามีความสุขรั บ, ค ว, บความเมตตาบาณนีจก่ท่านพันตนัณฑ์เอดสุดินเป็นอย่างมากขบัญญัติท่านเมตตาบาณนีทุกอย่างถือว่าเป็นที่พักแบบสบายสำหรับเมืองคอนหรือว่านครศรีธรรมราชที่จะเที่ยวก็มี ไปไหว้พระบรมสารีธิกธาตในพระเจดีย์หลวงที่ในเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนั้นก็มีจุดหนึ่งพ่อไม่กล้าพาไปการไปจากทุ่งสงพระนครศรีธรรมราชในช่วงหนึ่งทุ่มกับสี่ทุ่มในทางกราะะวางนั้นก็เคยมีการที่รถกันตั้งสิ่เจ็ดสี่ไปกัน แม้ได้ช่วงเช้าเวลาเช้าตรู่ที่ช่วงหนึ่งจุดนั้นเขาก็มีการจีกันเราไม่กล้าไปถ้าไปก็เสี่ยงเกินไปดันั้นการจะไปก็ต้องไปกันตอนกลางวันต้องคอยลูกทั้งหมดมาพร้อมกันไปชมพระเจดีย์าดูกระโครงประวานดูของบูชาพระบรมสารีธาตุที่เต็มไปด้วยทองคำล้นล้น ถ้าใจคิดเป็นมูลค่าก็าเห็นจะเป็นหลายสิบล้านบาท น, นอกจากนั้นก็มีที่ที่หนึ่ง น, นั่นก็คือที่พระเจ้ า, จาตากสินมหาราชสมัยโบทเป็นพระมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งมีพรติอยู่ขณาสําหรับที่จำมันสาและจําสิงค์ของพระเจ้ า, า, จาตากสินมหาราชสมัยบทเป็นพะแล้วก็สวรรค์อนคตที่นั่น นี่ตัวนั้นเป็นประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราไปเห็นแล้วก็เห็นแต่ธรรมเห็นก็เห็นแต่กุฏิก็ดีหน่อยก็ดีหลังเก่าพังไปเขาก็าสร้างขึ้นมาใหม่ม่รูปเดิมเป็นกระท่อมเล็กๆแต่คนันห้องครึ่งไม่ใช่สองห้องน้อยๆถ้าอยู่แบบสันโดษแบบอยู่แบบสงัดเป็นอ น, นววา สถานที่ ท, ที่เที่ยวก็มีแห่งหนึ่งคือน้ําตกลมแล้วก็ไปทำด้านสุรา ธ, ธานีไปจานี่ก็เหมือนไกลคือน้าตกวิภาวดีแล้วก็ไปถ้าเสือของจังหวัดสุรา ธ, ธานีที่มีเต็นพระมหาจำเนียอยู่ที่นั่นให้ถ้าเสือนั่นเข้าไปภายในมันมีความรื่นเริงมากการไปมันยากเกี่ยวกับเสี่ยงภัยรกรัก พ่อจึงไม่พาลูกไปความสนุกความสบายความรดเริงร้นร่าที่ได้มันไม่พอการอันตรายที่เพิ่งเกิดขึ้นพ่อจึงไม่พยายามไปที่นั่นเป็นนั้นว่าสถานที่จะเที่ยวกันเราก็รอมาพร้อมกันเพ่าะว่าถ้าไม่พร้อมกันถ้าไปมันก็ไม่ดี การเดินทางสองคราวสามคราวอย่างนี้มีการสิ้นเปลืองไม่สําคัญแต่ความเนหน็ดเหนื่อยมาที่นี่พอ ร, รู้สึกว่าได้พักมากร่างกายรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ทุกคนที่มาต่างคนก็นเหน็ดเหนื่อยกันมาต่างคนต่างก็ดพักผ่อนกันอย่างนี้หลังจากนี้วันที่ที่13เราก็ต้องเดินทางเป็นแผนการใหม่ ว่าจะไปนครศรีาว่าจะไปหาดใหญ่แล้วก็ต้องเลยพยาลาเพราะว่าเราเวลากลับมาตัดใาย่าลาไปหลังสนเราจะต้เดินทางถึง14ชั่วโมงทนไม่ไหวมาอยู่นันลาตามหมายกระบวนการแล้วก็กลับมาพักที่หาดใหญ่ออกจากหาดใหญ่ไปหลังสนพอทนเป็นนคำว่ า, วาสนามปรับเรื่องนครศรีธรรมราชนี้ พ่อขอเล่าไว้กอ่อนหน้าที่จะไปเที่ยวนั่นก็คือที่พระบรมสาีดีกิกทาตในตัวเมืองความจริงพ่อมาเมืองนี้บ่อยๆแต่พ่อก็ไม่มีโอกาสเที่ยวที่ไหนเพราะว่าพ่อมากราบอะไรก็มาทำแต่ง า, านตอนเช้าวเวลาโมงเช้าพ่อจะนอาหารเสียงหอบวิ่ง ป, ะ ป, ะ ป, ะ ป, ะปั๊บปั๊บปั๊ปรับไปเพื่อรับ รับแล้วก็ไปทำงานในป่ากลับจากป่าก็ค่ำตอนค่ำดีไม่ดีพวกก็ต้องนอนให้น้ำเกลือตอนเช้าก็ไปทำงานใหม่ทำงานแบบนี้จนจบส่วนเขตนี้แล้วก็ไปปอกใต้เมื่อไปที่สงขลาก็มีงานแบบนี้เช่นเดียวกันเวลากลับก็กลับรถไฟกลับเวลาค่ำไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ที่ไหน เป็นอนันว่าพ่อมาบ่อยๆให้ปากใต้แต่พ่อก็โง่ในถนนหุนทางและสถานที่อยู่แม้แต่ในตลาดนครศรีธรรมราชเองมีอะไรบ้างพ่อยังไม่รู้จักแล้วก็ในตลาดทุ่งสงนี่มาพักบ่อยๆพ่อก็ยังไม่รู้ว่าในตลาดห้องมันมีกี่ห้องยาวเหยียดมีกี่สายไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่มีเวลาเที่ยว ถ้าสำหรับเรื่องนครศรีธรรมราชก็ขอบันทึกแต่เพียงหน้าเดียวเวลานี้เทพก็จะหมดหน้าอยู่แล้วก็ขอหยุดไว้แต่เพียงทบานี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ลูกรักทุกคนสวัสดี